ปสรรพยามานนี่แหละขันธามันท่านพูดไว้ขันธามานขันเป็นมานมานคือสิ่งกีดขวางสิ่งกีดกั้นสิ่งกีดขวางท่านว่ามานขันธมานกิเลสมานขันธานมันมัจจุมานเทวปุตตมาน ม, มาน ขันธ์รมะนัคือร่างกายของเรามันไม่เป็นมันไม่เป็นไปผาสุกแต่แท้จริงมันก็เป็นไปตามคติของมันนั่นแหละธาตุขันธ์ของเราเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากชีวิตมนุษย์บัติขึ้นมาพอชีวิตอุบัติขึ้นมาเหมือนกับเทียนที่ถูกจุดขึ้นมาแล้วพอชีวิตเราเริ่มติดขึ้นมาจากท้องแม่ ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับเทียนเนี่ยถูกจุดมาแล้วในขณะที่จุดเนี่ยทุกทุกอย่างจะแปรปรวนไปหมดชีวิตของเราก็ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาติดเป็นชีวิตแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มแปรปรวนไปเหมือนเทียนเหมือนเปลวเทียนนั่นแหละเทียนเมื่อถูกจุดแล้วเนี่ยเอาทาัดไฟไปจุดแล้วเนี่ยทัดไฟมันก็จะกินเชื้อในเชื้อนั้นมันมีน้ํามันมันมีไส้ มันมีน้ำมันมันมีไส้พอไฟมันติดปั๊บความร้อนมันก็เกาะอยู่ในนั้นมันทําให้เกิดเปลวสีเหลืองๆมันทําให้เกิดสีสีเหลืองๆทำให้เกิดเปลวทําให้เกิดสีทําให้เกิดควันและก็ทําให้เกิดความร้อนในระหว่างที่มันมันทํางานอ่ะไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่มันไม่มีอะไรคงที่เราดูที่เทียนบางเล่มเนี่ย บางีเขาทํามาไม่สมประกอบไม่สมทุนเนี่ยน้ํามันก็ไหลออกหมดล้ล้นลไหลออกหมดเหลออหือแต่ไส้ในขนาดเดียวกันมันก็ไหม้ล้นล้นล้นลให้เล่มทั้งเล่มก็หมดอย่างรวดเร็วเนี่ยไะความไม่สมประ ก, กอบของมันชีวิตเรามาื่ถูกจุดขึ้นมาแล้วยถูกจุดขึ้นมาเป็นชีวิตแล้วก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมถูกผลักดันมาทุกอย่างทุกระบบ เท่าที่ความเป็นไปของาธาตุขันที่จะพึงเป็นนู่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เริ่มแปรปรวนมาเรื่อยเห็นไหมตั้งแต่น้ําใสาๆมาเป็นน้ําล้างล้างเนื้อเป็นน้ําล้างเลือดเป็นเลือดข้ๆนๆข้นมาแล้วก็เป็นขอนแข็งๆเป็นปัญจาสาขามีแขนสองขาสองลำตัวหนึ่งหัวหนึ่งเป็นปัญจาสาขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ได้การได้เวลาก็คลอดออกมาเห็นไหม มันอยู่ของที่ที่ไห น, นชีวิตที่ถูกจุดอยู่ในนั้นน่ะเหมือนชีวิตที่ถูกติดอยู่ในนั้นหรือถ้าเราเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเราสมมติเช่นอย่างมเมล็ดอะไรล่ ะ, ะเช่นอย่างเมล็ดมะข่า เ, เามเล็ดมะข่ามองเนี่ยเอ้าเมล็ดมะข่ามองเนี่ยพตัดหัวปับ๊บเราไปแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็ไปหมกเอาไว้ มันได้รับความเย็นมันได้รับความชื้นมันได้รับความร้อนได้รับความเย็นได้รับความร้อนได้รับความเย็นได้รับความชื้นอยอดอ่อนเขามันก็เริ่มแตกยอดอ่อนเขามันก็เริ่มแตกพรแตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่กับที่เลยมันเริ่มยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยยืดมาเรื่อยเป็นใบเลี้ยงสองใบยืดขึ้นมาเรื่อยเป็นยอดยืดขึ้นมาเรื่อยยืดขึ้นมาเรื่อยเป็นลำต้นเป็นใบเลี้ยงเป็นยอด เป็นใบสองเป็นใบสี่เป็นใบหกเนี่ยเรเลี้ยงมาเรื่อยแล้วก็ยืดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีอะไรอยู่กับที่ไม่มีอะไรอยู่ของที่ยอดของพืชมีชีวิตแต่และยอดก็เช่นเดียวกันชีวิตของคนเราแต่และชีวิตก็เช่นเดียวกันมี่หมายความว่าสังขารมันถูกปรุงแต่งมาแล้วเมื่อประกอบกันมาแล้วสังขารก็เป็นไปตามภาวะของมันชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันทุกอย่างถูกผลักนันมาเรื่อยๆ ผลักดันมาโดยภาวะของมันเองโดยธาตุของมันเองโดยขันของมันเองโดยสังขารของมันเองความนึกคิดของเราคือจิตใจของเราเรามีความนึกเรามีความคิดเราจะกะจะเกณฑ์อะไรให้มันเปยนไปตามที่จิตใจเรากะเราเกณฑ์มันก็ไม่ได้เพียงแต่เราประคับประคองมันไปเท่านั้นเองมันบกพร่องมันหิวกระหายหาน้ําใส่มันหาข้าวใส่มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาอะไรที่มันไปแก้เจ็บไข้ได้ป่วยไปแก้ให้มัน พอมันดีขึ้นอะไรขึ้นทําให้ระบบระเบียบอะไรมันวิ่งไปคล่องตามภาวะของมันมันก็เป็นไปได้สะดวกสบายเวลามันไปขัดข้องมันก็เจ็บมันก็ปวดมันก็ป่วยมันก็ไข้มันก็ปวดหัวกับตัวร้อนมันก็เป็นอย่างนี้เป็นภาวะของมันธาตุขันของเราของท่านของใครก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นเพราะเหตุที่มันไม่คงที่เพราะเหตุที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยท่านจึงว่าทุกขังท่านจึงว่านิจจัง ทุกขังยังไงเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอ น, นิจจังเปลี่ยนไปไงทุกขังก็เป็นอันนั้นอทุกขงังไงอนิจจังอันนี้อนิจจังทุกขังก็อันนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกขงังไม่มีใครที่จะมีสติมีปัญญามีความสามารถไปดัดแปลงแก้ไขมันได้ย้ายมันเปลี่ยนแปลงย้ายมันเป็นนน้นย้ายมันเป็นนี้ให้มันหยุดอยู่กับที่ไม่มีใครสามารถจะบอกได้ คำว่าอนี ara, ้แหละที <outfit>? shameful, ่พระพุทธเจ้า <confused> ท <isa> <STE> ่านทรงเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคําว่าอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใครไปบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีแต่เราบังคับบัญชามันไม่ได้บังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าเราจะปฏิเสธคําว่าอัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนั้นเราเรียกว่าไม่มีไม่มีตัวไม่มีตน คำว่าไม่มีตัวไม่มีตนในที่นี้หมายความว่าถ้าหากมีตัวมีตนเราต้องบังคับบัญชามันได้เราต้องบอกมันได้โดยเหตุที่เราบอกมันไม่ได้ว่าอย่าเจ็บไข้อย่าได้ป่วย <_ Spect> er> อย่าเป็นนุ่นอย่าเป็นนี้ <_ backward> ให้อยู่คงที่ให้อยู่อย่างราบรื่นสะดวกสบายโดยเหตุที่เราบอกได้เราจึงว่าอัตตาตัวตนโดยเหตุที่เราบอกไม่ได้ ท่านถึงว่านัตตามตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นไปตามภาวะของมันภาวะอันนี้มันมีอยู่จริงมันเป็นอยู่จริงตามภาวะของมันมันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นของมันแต่พวกเรามองไม่เห็นแม้แต่เดี๋ยวนี้พวกเราก็นั่งนั่งกอดมันอยู่อยู่เดี๋ยวนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเรานั่งกอดมันอยู่เพราะฉะนั้นท่านยังให้เราใช้ปัญญามองให้เห็น ถ้าเรามองเห็นเราก็จะเห็นโทษเห็นภัยของอัตภาพร่างกายนี้เมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยแล้วเหมือนกับเราถูกมัดอยู่ในที่แออัดเหมือนถูกไฟประชิดมาติดตัวเราเราก็ไปอยู่ในที่แออัดไฟจะเผาเราตายในขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นเหตุให้เราลิ้นรนจงสามารถหลุดออกไปได้พ้นไปได้อุบายปัญญายอย่างไงที่จะเราจะลิ้นไปได้หลุดไปได้พ้นไปได้กิเลมันพาให้ยึดว่าเป็นตัวเป็นตน ไฟจะไม่เราไฟจะไม่เราไฟจะไม่เราจิตนี้มันยึดถือว่ากายน <Snow> para, leur, ium, ี้เป็นเป็นเราเป็นเราแท้จริงเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเป็นโทษแต่เรามองไม่เห็นเมื like ่อเรามองไม่เห็นเราก็ยึดเราก็ยึดเราก็ถือเราก็เกาะเราก็เกี่ยวเราก็ผูกพันเราก็รับเราก็ใคร่เราก็ชอบเราก็หึงเราก็หวงเราก็ทะนุทะนอมเราก็ติดอกจิตใจชอบอกชอบใจตรงนั้นอ้วนตรงนี้พีตรงนั้นพองหลงเพลิดเพลินไปกับ ความเห็นของเราที่กายมันมีที่กายมันเป็นหลงยึดว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเราแท้จริงมันเป็นมาตามภาวะของความเป็นมนุษย์เชื้อชาติของความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายก็คือเป็นเพศผู้ชายเป็นผู้หญิงก็คือเป็นเพศผู้หญิงตามภาวะกามเพศของมันเป็นวัวก็เป็นตามภาวะของวัวเป็นควายก็เป็นตามภาวะของควายพวกช้างพวกมาก็เป็นไปตามภาวะของมัน เป็นไปตามภาวะของชีวิตแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างมันเป็นไปตามภาวะของมันแต่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามด้วยเหตุที่เรามีความลุ่มหลงอยู่นี่เราก็ยึดมันเราก็เกาะมันอเป็นควายเราก็ว่าเราเป็นควายอ่ะตัวของเราตัวของเรารับไพริศนุถนอมเหมือนกับคนนี่แหละเป็นวัวเป็นช้างเป็นมา้าเป็นไหลมันก็รักงวนสงวนตัวมันเหมือนกันด้วยเหตุที่มีความลุ่มหลงยึดถือยึดเกาะ ทีนี้เวลาไฟมันไม่ไประชิดมาทําไมเราจะคลี่คลายตรงนี้ได้ทําไมเราจะผ่อนคลายความทุกข์ตรงนี้ได้ท่านจึงให้ดูว่าอะไรเป็นเราอะไรคือเราเรามาเกิดเราเอาอะไรมาเกิดเรามีอะไรมาเกิดเรามีแต่กรรมมากับจิตจิตก็มาสิงอยู่ในธาตุธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ผสมกันไม่ใช่ของเรานะ้เป็นของพ่อเป็นของแม่แล้วก็ได้โครงสร้างออกมา เป็นเราเปลี่ยนท่านนั่งอยู่เป็นโครงสร้างซึ่งเราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่เป็นของเราที่ไหนเราเอามาจากไหนเราหอเหิ่วมาจากไหนไม่มีดูไปให้สิ้นสุดย้อนไปดูให้จริงจังดูให้เห็นเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตาเข้าอันนี้เราพูดให้เรานึกเราคิดเราพิจารณาอยู่บ่อยครั้งเข้าเพื่อให้เรารู้ที่มารู้ที่อยู่และรู้ที่ไปของมันรู้กติที่ไปของมันเพื่อเป็นเหตุผ่อนคลาย จากการคิดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานอมันเป็นเหตุให้เกิดสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเหตุให้เห็นอนิจจังเห็นเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอย่างเด่นชัดอย่างแท้จริงแล้วเราก็ทีบทิ้งอแล้วก็ปล่อยไปจิตมันก็ถอนออกมาถอนมายังไม่ตายมันก็อยู่เกาะกุมกันอยู่นี้จะมันถอนออกมามันเป็นตัวของตัวจิตเป็นตัวของตัวอาศัยธาตุขันธ์นี้อยู่ แต่ก็อาศัยอยู่สักแต่ว่าอาศัยอยู่รับผิดชอบดูแลอยู่ไปอย่างนั้นเองเราทําประหนึ่งเหมือนกับว่าเราเป็นอย่างนั้นเช่นนั้นตราบดใดที่เรายังไม่ไม่เป็นเราก็ ย, ยัง ม, มองให้เห็นอย่างนั้นมองให้เห็นเช่นนั้นอันนี้แหละคือประตูที่เราจะก้าวไปสู่ประตูแรกของความมองเห็นว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสามารถทําลายสักกายทิพิ ่มีความนึกความคิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเราจะต้องมาจากประตูนี้ตรงนี้คือการภาวนาถ้าเรามาตรงนี้ได้เห็นด้วยความซาบซึ้งเห็นด้วยญานนณทัศนะเห็นด้วยความมั่น อ, อกมั่นใจโอ้ใช่เป็นธาตุขันธ์ซึ่งสําเ็จรูปได้ยืมมาจากพ่อยืมมาจากแม่แล้วเราก็ได้มาอาศัยอยู่เราก็หลงเพลิดเพลินยึดเกาะกลุ่ม ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาเป็นท่านหลงรักหลงสงวนหลงผูกพันหลงทะนุถนอมหลงอะไรสรพัดแต่ในขณะที่เราหลงนี่แหละเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราดอกเรารับเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเราดอกเราทะนุถนอมเราสงวนก็เทืองผิวให้งดงามขนาดไหนใดก็ตามเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราถากขัน่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเรา ด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้มีจิตมีผู้รู้มีธาตรู้ถึงแม้ว่าธารู้เรายังไม่บริสุทธิ์แต่เรามีสติมีปัญญานึกคิดพิจารณารู้ได้ขนาดนี้ก็เป็นเหตุทําให้เราเนี่อรู้ช่องรู้ทางรู้ที่ไปพิจารณาเพื่อให้เห็นจริงว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราจริงๆโอไม่ใช่เราเป็นของยืมมาจากพ่อยืมมาจากแม่ของพ่อของแม่ก็ไม่ใช่ของท่าน แต่หากเป็นธาตุที่สืบช่วงมาจากกันซึ่งธาตุนี้เป็นธาตุของมนุษย์อืพ่อเป็นมนุษย์แม่ก็เป็นมนุษย์เมื่อผสมธาตุกันเข้าเราก็เลยต้องกลายเป็นเชื้อสายของความเป็นมนุษย์มนุษย์มีภาวะอย่างไรก็มีภาวะอย่างนี้เป็นผู้ชายก็เป็นอย่างนี้เป็นผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้อมันก็เจริญเติบโตออกมาตามเส้นตามสายตามเผ่าตามพันุ์เป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นเขมรเป็นลาวเป็นยวนเป็นอะไรสารพัด ก็เป็นไปตามเผ่าเป็นไปตามพันธุ์เป yeah. oh. ็นไปตามเลือดเป็นไปตามเลือดเป็นไปตามเจริญเป็นไปตามนิสัยเป็นไปตามภูมิตามพื้นตามเพยไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่กิเลสในใจเท่ากันเหมือนกันอมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันอเพราะว่าร่างกายนี้มันก็เป็นผลผลของกิเลสกิเลสไม่ใช่มีอยู่ที่กายกิเลสมีอยู่ที่จิตด้วยเหตุที่กิเลสมีอยู่ที่จิตจิตจึงต้องมาอุบัติ จึงต้องมาเกิดต้องมาจับจองให้มีพบให้มีชาติคือมาเกาะคุมเรานี่ยแหละเราก็เร า, เราแต่ละคนเกิดในท้องแม่แล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็เป็นตัวเป็นตนตมีรูปมาทำมีนามธรรมถ้าจะว่าโดยตรงไปแล้วร่างกายนี้เป็นผลผลของใจเป็นผลเป็นผลผลของใจก็คือเป็นผลผลของกิเลสเพราะใจมีกิเลสใจยังไม่หมดกิเลสใจจึงต้องมีที่เกิดคือมีชาติมีพบ เมื่อมีพพแล้วก็ต้องมีชาติคือใจจะต้องมาเกิดมีพพที่จะต้องสมควรจะเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นพพของมนุษย์นี่ร่างกายเป็นเชื้อเป็นวิบากกรรมที่เกิดจากกิเลสที่มีติดมากับจิตจิตมาเกาะมากลุมมาเกี่ยวมาเข้ามาผูกมาผ่านก็ทําให้เราได้รับอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบรรลุได้ช่องได้ทางแล้วท่านก็นมาสแสดงมาบอกมาสอนพวกเรา เราก็ดูไปตามที่ท่านชี้บอกดูสิธาตุขันมาจากพ่อมาจากแม่พอจิตใจมาเกาะมากลุ่มเขาก็เลยยึดเลยถือเลยหึงเลยหวงเลยเกี่ยวข้องเลยผูกกันทั้งสงวนทนุทนอมเก็บไข้ได้ป่วยมาก็โอ้ยเราป่วยโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราทุกข์โอ้ยเราทรมานแน่เรามองไม่ไม่เห็นตามหลักความเป็นจริงตามหลักความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงท่านจึงให้แย่ให้แย่ เช่อย่างอาการ32ที่เราเจริญไปเมื่อกี้เนี่ยอาการ32เนี่ยธาตุดิน20ธาตุน้ำ12เนี่ยธาตุดินกับธาตุน้ํำมาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นแท่งจะในนั้นก็มีธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟในตัวของคนเราธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาเกาะกลุ่มกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนแท้จริงธาตุดินน้ําลมไฟมาเกาะกลุ่มกันด้วยอานาจของกรรม กรรมที่มีอยู่ที่จิตด้วยเหตุที่จิตมาสิงมาเกาะมาเกี่ยวมาคล้องมาผูกพันกับอัตภาพร่างกายนี้เลยเป็นเหตุให้กรรมนี่ต้องมาบริหารบริหารให้ธาตุดินน้ำลมไฟในกายของเราเนี่อ่ามาสมามัคคีกลมเกลียวปรองดองกันมาเกาะกลุก้มกันกลายเป็นยอดชีวิตหรือต้อนชีวิตหนึ่งต้นชีวิตหนึ่ง ชีวิตท่านชีวิตเราแต่ละต้นแต่ละต้นเห็นไหมเราเห็นไหมค่อยๆเจริญงอกงอกงามตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วก็ออกมาออกมาแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอ ย, ยืนเดินเหินไปนู้นไปนี้ทำนู้นทานี้นึกคิดสารพัดได้ทํามตามอํานาจของความรู้ของธาตรู้จากนั้นเราก็หาธาตุภายนอกใส่เข้าไปธาตุดินใส่เข้าไปธาตุน้ําใส่เข้าไปธาตุลมธาตุไฟก็เข้ า, ไ ป, าไปในนั้นแหละเป็นอาหารดูสิ สบเบสตาอาหารรติติกาสัตว์ทั้งหลายตั้งตนได้อยู่ด้วยอาหารอาเอกนามกินอะไรชื่อว่าหนึ่งเอกนามกินอะไรชื่อว่าหนึ่งสบเบสตาอาหารรติติกาสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าลองไม่มีอาหารลองอดไม่ใส่อาหารเข้าไปไม่ใส่ข้าวน้ำใส่อะไรเข้าไป วันคืนล่วงไปเขาก็สอมลงสอมลงสอมลงสอ ม, ม, ม, มลงเขาก็ล้มคลื่นเท่านั้นเองอะระบบระเบียบอะไรในเมื่อมันไม่มีวัตถุดิบไปป้อนไปซ่อมไปแซมต้นชีวิตต้นนี้ก็ถูกล้มคลื่นขึ้นมาคือตายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเป็นเหตุว่าเราจะต้องหาวัตถุดิบใส่เขา้าคือข้าวปลาอาหารใส่เข้าไปเป็นการเป็นคราวเช้ากลางวันเย็นก็ใส่เข้าไปกี่ครั้งเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปหรือไม่วันหนึ่ง ใส่เข้าไปครั้งหนึ่งเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเขาก็อยู่ได้หรือสองสามวันใส่ไปครั้งหนึ่งเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าเรางดเลยเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเข้าไปซ่อมแซมในที่สุดต้นชีวิตตอนนี้ก็ล้มคลื่นมาลงมาได้เช่นเดียวกันในระหว่างที่เราเป็นอยู่เรายังไม่ล้มลงสิ่งที่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวข้องพวกัพวกพันอยู่ข้างในก็คือ ความไม่สมประกอบด้วยระบบด้วยระเบียบระบบลมเอยระบบไฟเอยระบบประสาทเอยระบบกระดูกระบบลำไส้ระบบกระเพาะระบบอะไรทุกอย่างนี่ในวิชาแพทย์วิชาหมอเขารู้จักดีบรรดาระเบียบต่างๆที่เขาจะพึงเจริญงอกงามตามภาวะความมีความเป็นของเขาในเมื่อมันขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา เป็นโรคนี่เป็นโรคนี้เป็นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งโรคอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเป็นแล้วแต่เราจะว่ากันนั่นแหละโรคลมโรคข้อโรคกระดูโกโรคอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเป็นเนื่องจากว่าข้างในมันไม่สมประกอบมันขาดส่วนนั้นมันขาดส่วนนี้ก็เลยเป็นเหตุว่ามันไม่สมประกอบส่วนนั้นไม่สมประกอบส่วนนี้เพราะฉะนั้นคนเรามนุษย์เราต้องอยู่อย่างบริหักบริหาร มีการเจ็บไข้ใดป่วยมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเรามีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มา <c ane> บางคนก็มีโรคติดตัวมาตั้งแต่ในท้องแม่ก็มีออกมาแล้วก็มีโรคติดตัวมาโรคเล็กโรคน้อยโรคบางคนเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่เด็กทารกเลยก็มีนะเนี่ยมีเขาลอยฟัง่ยลูกของอ า, าจารย์เนี่ยนะอาจารย์อยู่ที่สีเกณฑ์เนี่ยเป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยเราจะไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ โรคมันไม่สมประกอบมาตั้งแต่เด็กๆเป็นโรคเบาหวานก็เลยอยู่ดูแลเกี่ยวข้องกับหมอมาตลอดเขาก็ใหญ่เขาก็โตเป็นหนุ่มเป็นแน่นมีครอบมีครัวมีอะไรไปแล้วเขาก็สามารถอยู่ได้ดูแลได้รักษาได้นี่เราเห็นไหมความไม่สมประกอบแท้จริงความไม่สมประกอบอันนี้มันก็มีติดมากับกายอันนี้ไม่ว่ากายเราไม่ว่ากายท่าน เพราะฉะนั้นทุกๆชีวิตจะต้องอยู่อย่างบริหารบริหารจะต้องมีการบริโภคอย่างสมดุลมีการออกกําลังกายอย่างสมดุลมีการใช้ยุคใช้ยามีการบริโภคข้าวปลาอาหารอย่างสมดุลร่างกายถึงจะอยู่สุขได้สบายได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าหากกรรมของเราไม่บริสุทธิ์กรรมก็จะมาตัดรอนเรานี่แหละนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวนะเรื่องของ ของนามมาธทำนามมาทำก็คือกรรมก็มีส่วนมาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเหมือนอย่างบางคนนี่ยตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนคลอดออกมาตัวเองก็ตายแม่ก็ตายในระหว่างที่คลอดอย่างนี้ก็มีใช่ไหมด้วยอำนาจของกรรมมาตัดรอนบางคนก็ออกมาได้ขั้วสองขั้ก็ตายอย่างนี้ดืวยกรรมมาตัดรอนบางคนก็ใกล้หนุ่มใกล้สาวขึ้นมาก็ตายบางคนก็กลางคนขึ้นมาก็ตายบางคนก็ยังไม่ถึงอายุไขก็ตายมันมีโอกาส ที่กรรมจะมาตัดรอนได้ทุกระยะทุกเวลาเนื่องจากว่าเราเป็นโรคทางกายแล้วไม่พอโรคทางใจของเราก็แทรกมาด้วยเนื่องจากว่าใจของเรามีกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นโรคอย่างยิ่งพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่ติดมากับเป็นโรคที่ติดมากับใจเป็นโรคที่ติดมากับกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้แหละถ้าเราเคยสร้าง บาปสร้างกรรมโดยการทำลายชีวิตสัตว์ทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เราอายุสัน้นสั้นตั้งแต่ตอนไหนตายตอนไหนลายตอนไหนยังไม่ใหญ่ยังไ ม, งไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตายตั้งแต่เด็กทารกอย่างนี้ก็มีใหญ่ขึ้นมาแล้วตายก็มีบางคนตายด้วยเหตุว่าเบียดเบียนสัตว์อย่างอื่นเคยฆ่าสัตว์ใหญ่เคยฆ่าสัตว์มีบุญคุณเคยฆ่ามนุษย์เคยอะไรจะอะไรเนี่ย เลยเป็นเหตุให้เราอายุสั้นเขาบอกว่ามนุษย์อายุสั้นเพราะว่ามนุษย์นี่เบียดเบียนสัตว์มนุษย์ ient, เบียดเบียนกันมนุษย์เคยทำลางทาลายล้างชีวิตกันมนุษย์จึงมีอายุสั้นมันก็มีอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราเอาอะไรเป็นเกณฑ์ไม่ได้ในอัตภาพร่างกายของได้ของเราเนี่ยเพียงแต่เรารู้ในการรักษาดูแลแล้วเราก็รักษาไปให้เขาอยู่ได้พอเป็นไปได้แล้วเราก็อาศัยประโยชน์เอาประโยชน์จากเขา การเอาประโยชน์จากเขาคือการเอาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมาสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีนี้คือการสร้างคุณความดีให้กับตัวเองทําให้ตัวเองเข้าถึงคุณงามความดีเป็นผู้มีบุญสร้างความดีความดีก็คือบุญบุญก็คือความดีท่านจึงให้สร้างบุญสร้างบุญก็คือให้มีจิตใจเผื่อแผ่เสียสละวัตถุทานธรรมทานอภัยทานให้ศึกษาให้รู้เข้าไว้ เพื่อจะได้เป็นธรรมทานที่ละเอียดขึ้นโดยลําดับวัตถุทานก็คือวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงธรรมทานก็คือความรู้วิชาการทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงหลักธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะพึงสอนบอกสอนหมู่ให้ได้รู้ให้เข้าใจท่านเรียกว่าธรรมทานให้ทําเป็นทานสารสีสำคัญที่สุดคให้อภัยเป็นทานทานทั้งนี้เราศึกษาเข้าไว้เรารู้เราใช้แล้วเราได้ประโยชน์ ประโยชน์ก็คือบุญบุญเกิดขึ้นที่เราเรารักษาชีวิตนี้ให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อประกอบบุญถ้าเรารักษาชีวิตนี้อยู่เพื่อความรุ่มหลงไปวันวันหนึ่งเราอยู่อย่างประมาทบางทีเรามีบุญมาบุญไม่พอบุญเราก็ตัดรอนไปเรื่อยตัดรอนไปเรื่อยในที่สุดเราก็หมดบุญอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็สร้างบุญเพิ่มเติมบุญก็จะเพิ่มภูนเพิ่มภูนจากเราควรจะมีชีวิตแค่ ส0ิบปีห้าสิบปีเราก็ยืดไปเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีเนื่องจากว่าเราสร้างบุญเพิ่มภูนทวีคูณขึ้นในอัธภาพนี้ท่านจึงมาให้ประมาทชีวิตของเราอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายให้เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลเสียสละทานเราไม่มีอะไรให้เป็นทานเราก็ให้ทำเป็นทานก็ได้บอกสอนอะไรที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมเสร็จแล้วก็อภัยทาน ให้อาภัยแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีภัยกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ให้อาภัยกันหรือไม่การอยู่ด้วยกันการเกี่ยวข้องกันอาจจะกระทบกระทั่งด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเราก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นการไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธแค้นอิจฉาดิษยาพยาบาทถือว่าเป็นการระงับกิเลสเป็นการระงับกิเลสได้ทันตาเห็น นี่อันนี้ได้บุญทันตาเห็นเป็นการเสียสละกิเลตเป็นการเสียสละสิ่งที่เป็นเหตุทําทให้เรากระทบกระเทือนได้รับความเดือดร้อนฟุง้งซ่นานรําคาญจากการที่เกิดกรรมเกิดเวนก่อกรรมก่อเวียนต่อกันและกันเราให้อภัยที่เรียกว่าอาภัยทานจากนั้นก็ตัง้งใจรักษาศีลเข้ามาเพราะการรักษาศีลเป็นการสรํารวจระมัดระวังการสรํารวรธระมัดระวังเป็นการทําให้กายของเราเนียนงาม ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นจากนั้นแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมทำจิตให้ได้รับความสงบเพราะจิตเราไม่สงบเราจึงไม่รู้จักสภาวะธรรมความเป็นมาของอัตภาพร่างกายความเป็นมาของชีวิตเราก็ไม่รู้จักความเป็นอยู่เราก็อยู่อย่างหลงหลงเราก็ไม่รู้จักความจะเป็นไปข้างหน้าจะไปยังไงอะไรยังไงเราก็มืด ต, ตื้ออยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มาภาวนา ทำให้จได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วก็รู้ที่ไปรู้ที่มามีความสะดวกมีความสงบมีความผาสุกมีความชุ่มเย็นในหัวใจอทําใหา้ได้รับความอิม่มเอิบเบิกบานแช่มชื่นเบิกบานในหัวใจจากนั้นเราก็พิจารณาเกิดความรอบรู้ให้เกิดปัญญาอมองดูให้เห็นอันตภาพร่างกายของเราว่ามันเป็นอนิจจัง เ, ง, งเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไง ตัวเหตุที่เรามายึดมาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาด้วยเหตุใดเราถึงยึดถึงถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเหตุผลข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นประจักษ์เป็นพยานเราก็ยามมาสอดส่องดูเลยย้อนดูเข้าไปย้อนดูเข้าไปย้อนดูเข้าไปเพื่อให้เห็นว่าร่างกายข้ศัตริย์ทวาร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟซึ่งยืมพ่อยืมแม่มาเกิดเส็จแล้วก็มายึดมาถือมาหลงยึดถือว่าเป็นของตนเป็นของของตน แล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จะเข้าใจแล้วก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจว่าอัตภาพร่างกายศัพท์ว่าเป็นอัตถภาพร่างกายละสกายทิฐิท่านบอกว่าละความสําคัญว่าเป็นกายตนเป็นกายของของตนให้เห็นว่าเป็นศัพท์ว่าเป็นธาตุเห็นศัพท์ว่าเป็นธาตุดูไปมันก็เป็นธาตุจริงๆส่วนนี้เป็นธาตุดิน ส่วนแข็งแขงเป็นธาตุดินส่วนเอิบอาบเป็นธาตุน้าส่วนร้อนๆอนเป็นธาตุไฟส่วนพัดเข้าพัดออกเข้าลมออกนะ่ะเป็นธาตุลมมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆอุธเจ้าท่านบอกท่านทรงตรัสท่านชี้นำท่านชี้บอกมาให้เราดูมันก็มีอยู่อย่างนี้จริงๆเราทายัางไงเราถึงจะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ร้อยเปนว่าโอ้ดินโอ้น้าโอ้ลมโอ้ไฟ ศักตะวะดินน้ำลมไฟไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพื่อทำลายการยึดมั่นการถือมั่นด้วยอุปาทานจากนั้นแล้วจิตใจของเราก็จะถอนตัวออกมาถอยตัวออกมาเห็นความเป็นไปเห็นความเป็นมาของกายเห็นความเป็นอยู่ของกายและเราจะเห็นความเป็นไปของกายความเป็นไปของกายในที่สุดเป็นไงตายในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไปเท่านั้น แต่ก่อนที่จะตายนั่นจะต้องเก็บต้องไข้ต้องได้ป่วยอย่างนั้นนี่นก็เป็นคติของมันมันไม่ไปที่ไหนมันไปตรงนั้นเพราะมันเป็นคติของมันเรารู้ความเป็นมาเรารู้ความเป็นไปเรารู้ความตั้งอยู่รู้ความเป็นไปของมันเราก็อ๋อมันเป็นไปตามภาวะของมันเป็นไปตามคติของมันผู้ที่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นไปตามคติของมันก็คือผู้รู้คือธาตุรู้คือจิตใจของเรานี้ เป็นเหตุทำให้จิตนถอนออกจากกายไม่ยึดมั่นถึงมั่นในกายความทุกข์ภายในจิตใจมันก็ผ่อนลงนก็เบาลงก็จางลงนี่ความเป็นไปของอัตภาพร่างกายของเราของท่านมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยเหตุที่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสอดส่องให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเราก็เลยเป็นอยู่ด้วยความรุ่มหลง ซึ่งเราจะถ้าเราจะคิดเทียบเคียงเหมือนอย่างพระอริยเจ้าแล้วนี่เราน่าละอายมากพวกเราหมกอยู่ในโลกพวกคนเข่าหมกอยู่ในโลกฟังดูแล้วหน้าละอายแก่ใจมากพวกเราเป็นผู้เขา่าคนเขาไม่เคยย้อนดูถึงความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปว่าเป็นอะไรเป็นไงมีแต่ได้ชีวิตจิตใจได้อัตภาพร่างกายขึ้นมาแล้วก็หลงเพลินเพลิดเพลินไปกับโลก ไปสำคัญให้ความสําคัญกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับการสัมผัสกับการนึกการคิดกอะไรแล้วก็สําคัญมั่นหมายยึดเอาถือเอาอะไรแหละทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความนึกคิดของตนเองแล้วก็ยึดถือความนึกความคิดของตนเองสําคัญมั่นหมายในความนึกความคิดของตนเองเวลาเห็นว่าดีเห็นว่าชอบก็ปลื้มปิติยินดีในความนึกความคิดของตนเองเวลาไม่ไม่สงความนึกไม่สงความคิดผิดหวัง เคียดแค้นชิงชังมันก็ได้รับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการนึกการคิดของตนเองนี่เราดูดิมันไม่เกิดจากไหนมันเกิดจากผู้รู้เกิดจากท่ารู้เกิดจากจิตใจของเราที่ ท, ที่ที่ยั ง, งโง่เขลาอยู่นี่เองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้พิจารณาท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ที่ไปเพื่อให้รู้ที่มาของอัตภาพร่างกาย แล้วเราก็จะได้ผ่อนคลายเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เราก็ทีบตัวเราไปพ้นในอัตภาพนี้ได้แล้วก็พ้นทุกพ้นภัยในวัฏสงสารนี่อุดมกติของพวกเรามีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าเราค่อยใจอย่างนี้เราก็พลอยจะค่อยๆคลืบค่อยๆคลานค่อยๆเบนค่อยๆเบี่ยมค่อยๆสร้างต้นทางแห่งชีวิตของเราเพื่อจะเดินไปไปสู่ความชุ่มเย็นไปสู่ความสุข อยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าสุกโตนี่คือที่อยู่คือที่ไปเราจะต้องอยู่อย่างเป็นผู้ศึกษาฝึกฝนอบรมบำเพ็ญเพื่อให้คุณงามความดีของเราเนี่เต็มเปี่ยมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วจะได้เป็นผู้ประกอบไปดึกบุญบุญคือคุณงามความดีเมื่อคุณงามความดีเพียบพร้อมแล้วทุกอย่างรอบตัวเราก็ดีเพียบพร้อม อัตภาพร่างกายของเราก็เป็นไปตามอัตภาพร่างกายจิตใจของเราก็มีบุญเต็มที่เต็มเปี่ยม อ, อยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายละตายไปแล้วเราก็จะต้องประสบความสุขที่จะเรียกว่าสุกโตสุกโตเราละกิเลสได้มากได้น้อยเราก็เดินแนวไปสู่หนทางเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างแท้จริงพวกเราได้ยินได้ฟังมากมายไม่ต้องสงสัยกันเลยให้ตั้ง อ, อกตั้งใจเพืพื่อปฏบิบัติเข้า อย่าไปอ่อนข้อให้กับมันดูความจริงว่าอะไรคือความจริงรู้เหตุความเป็นไปความเป็นอยู่ความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของมันแล้วเราก็พิจารณาดาบนั้นดูความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้านั่นแหละเป็นสัจธรรมความเจ็บปรากฏเฉพาะหน้าความเจ็บความเจ็บก็คือความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้หนีทุกข์นะท่านให้ดูทุกข์ท่านให้กำหนดดูทุกข์ดูและให้ดูทําไมดูให้เกิดเป็นอะไรแล้วก็ดูเข้าไปสิ ในระหว่างที่เราดูเข้าไปมันเป็นอะไร habitude, ในในระหว่างที่เราดูความทุกเราดูไปเราก็เห็นเลยว่าเป็นทุกข <van şimdi S 1> ์นั่นแหละทุกขเวทนานโอ้ทุกขะทุกขเวทนาก็ะสับกว่าเป็นทุกขเวทนาเจ็บก็ะสับกว่าเป็นเจ็บเป็นทุกขเวทนาใจมันเจ็บเลยไหมใจไม่ได้เจ็บแต่โดยเหตุที่ใจยึดเวทนานั่นแหละใจเลยปล่อยโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราเจ็บแต่โดยที่แท้จริงเราก็หกเราเองว่าเราเจ็บแท้ที่จริงเราไม่ได้เจ็บ ร่างกายธาตุขันมันแปรปรวนมันแปรปรวนมันถูกเผาด้วยความขัดข้องของมันมันเจ็บมันปวดมันขัดข้องตรงนั้นตรงนี้แต่ด้วยเหตุที่จิตใจเรายึดเราถือเราก็ไปยึดไปถือจิตใจเราก็พลอยได้รับทุกไปกซ้อนหนึ่งได้รับความทุกไปอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราดูให้ชัดเจนดูตอนนี้เดี๋ยวนี้เราดูได้เลยเราดูความเจ็บความปวดความทุกขเวทนา เช่นอย่างเรานั่งนานๆมันปวดเราดูไปที่ความปวดความปวดมันก็เป็นอันหนึ่งไอพูดดูเพื่อรู้ว่าปวดก็เป็นอีกอันหนึ่งเราดูที่ดูให้หให้ชัดเจนในใจของเราเนี่ยแล้วมันก็จะแยกโดยลําพังของมันเองนี่เป็นสัตว์จะอันนี้แหละคือสัตว์จะปรากฏจำเพาะหน้าถ้าหากเราไม่ศึกษาเราไม่ศึกษามันก็เป็นก้อนเป็นแท่งอันเดียวกันตรงไหนปวดก็คือเราปวดตรงไหนเจ็บก็คือเราเจ็บ แต่ถ้าเราแยกแยะซะหน่อยหนึ่งโอ้ตรงนี้เจ็บสมมุติอย่างเจ็บท้องเนี่ยปวดท้องเราดูไปที่ท้องอดูไปที่ท้องผู้ดูก็คือใจผู้รู้นี่แหละเป็นผู้ดูจิตนี่แหละผู้รู้ธาตรู้เนี่ยเป็นผู้ดูธาตุที่ไม่รู้ท้องเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่รู้นะแต่ว่าเวลามันขัดข้องขึ้นมา มันเจ็บมันปวดเพราะมันเจ็บมันปวดขึ้นมามันผิดปกติของมันมันไม่พอดีของมันมันก็เลยเจ็บเลยปวดเลยเร่าร้อนขึ้นมามันทําให้เกิดกิริยาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาจากภาวะของความเป็นปกติของกายเราก็เลยให้ความหมายว่าโอ้กายปวดแท้จริงก็คือกายเป็นทุกขเวทนานั่นเองทุกขเวทนาเราก็ดูไปดูไปก็เห็นแต่สักจเวทนาทันเอง เราก็ย้อนมาดูผู้รู้ผู้รู้เวทนาคื อ, คอผู้รู้สัพท์ว่าผู้รู้ย้อนมาดูที่พยายามแบ่งพยายามแยกพยายามแยกแยะออกให้ได้พยายามแยกแยะ ด, ยายายยยดูสัจธรรมสองอย่างหนึ่งจิตผู้รู้สองเวทนาเวทนาความเก็บยวความปวดกายเป็นธาตุที่ไม่รู้เวทนาน้นเกลือที่กายแต่ในขณะเดียวกัน กายก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่กายเราดูเข้าไปสิหากมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาว่าเราเจ็บดึงขึ้นมาขึ้นมาว่าเราปวดเราก็ย้อนมาดูที่จิตจิตผู้รู้ว่าเจ็บผู้รู้ว่าปวดอืแต่แท้จริงจิตไม่ได้เจ็บจิตไม่ได้ปวดหาแต่ว่าจิตมันเจ็บมันปวดเพราะเราถือมั่นด้วยอุปาทานถือเอาว่าเราเจ็บเราปวดทาวําไมเราจะแยกแยกตรงนี้ได้ กำหนดจิตเข้ามาสร้างกำลังใจเข้ามาสร้างความสงบเข้ามาดูมาให้เห็นให้ช like ัดเจนตั้งสติเข้ามาจดจ่อเข้ามาดูไปที่เวทนาแล้วก็ดูไปที่กายแล้วก็ดูมาที่จิตอย่าให้ความยินดีเกิดขึ้นย่ายความยินร้ายเกิดขึ้นดูไปอยู่นี่แหละไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปใช้ความทีให้มากๆเข้าใช้สติใช้ปัญญาใช้สิ้สัมปชัญญะใช้อาตปะคือความภาคความเพียรให้หนักๆเข้าให้มุนให้ทีเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้า เดี๋ยวเราจะได้เจอความอัศจรรย์ความอัศจรรย์ก็คือสัจจะสัจธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราเนี่ยในขณะที่เราทํางานอยู่ขณะนี้ตอนนี้นี่ตามความสามารถตามความภาคความเพียรตามความอุตสาห์พยายามตามบุญตามกรรมของใครของเราให้สร้างให้เราให้เราสร้างให้เราทําเอาบางคนอาจจะเบาบางอาจจะเห็นได้ง่ายบางคนอาจจะบุญมากก็เห็นได้เร็วบางคนอาจจะหนักหน่อยก็ต้อง ฝึกนานๆหน่อยดูนานๆหน่อยดูบ่อยครั้งเข้าดูบ่อยครั้งเข้าดูจนเห็นจนรู้จนเข้าใจเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ใกล้ประตูเข้าไปแหละละส ก, กายทิทิมันใกล้เข้าไปแหละประตูละส ก, กายทิทิเพราะอะไรเพราะมันรู้ข้อมูลที่แทจ้จริงทีร็แล้วเราก็เห็นตัวสมุดไทยที่เกิดขึ้นที่จิตจิตรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆรู้พร้อมที่จะยึดรู้พร้อมที่จะดึงเข้ามา แล้วก็รู้พร้อมที่จะผลักเข้าไปไอ้ตัวที่จะดึงเข้ามาตัวที่จะผลักออกไปเนี่ยเป็นตัวตันหาตัวนี้แหละเป็นตัวพิษตัวสงที่สิงอยู่ในธาตุรู้ในผู้รู้ดูให้เห็นตรงนี้เพราะเราเห็นปั๊บตัวนั้นมันก็จะอ่อนกําลังลงเห็นปั๊บมันก็จะอ่อนกําลังลงเห็นปั๊บมันก็จะอ่อนกาลังลงจนกว่าเราจะได้ยาณทัศนะได้อย่างชัดเจนว่าสัจตวาสัจตวะธาตุสัจตวะขันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน จะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอันนี้เป็นประตูเป็นช่องทางอยู่ในวงในภายในหลักของอริยศาสตร์ทั้งสี่อยู่ในเงื้อมมืออยู่ในกำ ม, มือดูเข้ามาตรงนี้ดึงเข้ามาตรงนี้พิจารณาเข้ามาตรงนี้อย่าไปปล่อยจิตให้ล่องลอยยึดถือไปอย่างอื่นความสามารถตามที่เราเข้าใจมากตามที่เราเข้าใจน้อยนั่งดูเวทนาได้มากได้น้อยได้นานอ่า ได้มากได้น้อยก็ให้ให้เราดูเพื่อเห็นว่าทํายังไงสัจจะตัวนี้จะปรากฏแก่เราอย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้ ง, จงอันหาอุ ป, ปาทานภายในใจของเราจะได้หมดไปจะได้เบาบางไปในขณะเดียวกันเราจะได้สังเกตอรู้ตันหาที่เป็นตัวสมุทัยภายในจิตของเราเนี่ยมันจะโผล่มาให้เราเห็นโผล่มาเห็นครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะก็ยุยบย่อไปเลยแหละเราได้กําลังใจฮึบขึ้นมา ท, าทันทีเห็นสักครั้งสองครั้ง ทันอกทันใจทันหน้าทัานตาในขณะปัจจุบันทันด่วนเนี่ยก็จะทําให้เราได้กําลังตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาถอนเนื้อถอนตัวขึ้นมาถอยเข้ามาคือใจมันถอนมันถอนออกโดยอตัตโนมัติเข้ามาเองทําให้ปรากฏเราจะรู้ว่ามันมันถอยมายังไงทําให้ปรากฏเฉพาะหน้าเรามันถอยออกมาได้ยังไงลราลองทําให้ดูทําให้ปรากฏดู อันนี้แหละคือวิธีที่เราจะรู้เราจะเข้าใจแล้วก็เป็นงานที่พวกเราจะต้องทําแล้วก็ผ่านไปตรงนี้ถ้าเราไม่ผ่านมาตรงนี้เราผ่านไปที่อื่นแล้วผ่านไปที่อื่นเราก็อาจจะเป็นเหตุพาให้เราหลงแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอย่างอืน่น <c oughs> นึกคิดล่องรอยเลือ่ roid, อยเปื่อยอนุดิบดีวิเศษวิโสอิดชีริสปาธิหารอะไรตัวไรสารพัด like, แล้วก็ไปหลงไม่รู้อะไรคือเหตุอะไรคือผลอย่างแท้จริงอะไรค <Stones, S 1> ือตัวสมุทรไทยอะไรคือตัวทุกไม่รู้เ <Here S 2> รื่อง เป็นการสับสนปนเปไปหมดเขาเรียกว่าสเปะสบะไม่มีหลักถ้ามาตรงนี้แล้วเราไม่ทิ้งหลักเรามากับหลักเดินมาบนเส้นทางของหลักให้ตัก้งอกตั้งใจพิจารณาเอาตรงนี้ให้ได้จับตรงนี้ให้ได้ตระบใดทีด่ยให้สงบเราก็ตั้งใจทําให้สงบเข้าไปพอเวลาถึงคราวหมุนมาต่อสู้กันจริงๆมันก็จะได้มีกําลังกําลังคือความสงบนั่นแหละมันไม่วอกแวกมันไม่หลงเคลื่อไปกับความเจ็บความป่วยได้โดยง่าย ไม่ยกให้มันแหละไม่ยกให้มันไม่ตามใจมันแหละมันก็มันเราก็เราตอนเนี้ยเด็ดขาดกันแหล้หละเราก็รู้เหตุเริ่มรู้เหตุเริ่มรู้ผลเริ่มรู้อะไรแล้วเราก็งว้วแห่ๆแค่นั้นแหละอ๋ออ๋อแค่นั้นเองทําให้ให้รู้ให้เข้าใจแล้วเราจะได้เบา อ, อกเบาใจไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเราได้บุญทุกวันเวลานาทีที่เราตั้งอกตั้งใจประกอบภารากิจ ไม่ไว่าจะเป็นข้อวัดส่วนตัวข้อวัดส่วนรวมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาส่วนตัวส่วนรวมพอเราเริ่มรู้เราเริ่มเข้าใจเราก็จะได้กำลังใจแบบบอกไม่ถูกแหละ<ม>โอโอ้ได้กำลังใจได้กำลังใจแบบบอกไม่ถูกแหละอย่างอื่นมันตกไปหมดแหละ<ม>ในเมื่อเราได้กำลังใจ น, นี้แล้วเนี่ยอะไรก็ไม่สำคัญเท่านั้นหมุนเอาตรงนี้ติดใจตรงนี้เอาหมุนเอาตรงนี้หมุนเอาตรงนี้แหละอะไรอิ่มก็ดีไม่อิ่มก็ดีอยู่ยังไง ก็พออยู่ได้ประครับประคองแก้ไขไปเพื่ออัตภาพร่างกายนี้ได้เอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเพื่อพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารเนี่ยเอาพอลทะท่านี้